สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมนัทพงศ์กระนกวิรุณ น, นะครับวันนี้รายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นะครับก็ดำเนินรายการร่วมกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหลโศกกราบนมัสการท่านครับจรินพรคราวนี้เป็นอตอนที่4่ครับอพิโซดที่4ของเพียวธรรมะภาคออนไลน์ภาคออนไลน์ครับซึ่งเราก็จะทาไปทุกๆอ่ สัปดาห์สัปดาห์ครั้งในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็มาดาวน์โหลดได้ที่หน้า piotama.com/podcast piotama.com/podcast จะมีข้อมูลของรายการนี้อยู่ซึ่งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะทำให้รูปแบบของการพอด c a สต์เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรมาใส่เราเธอใส่เข้าไป่าจจะเป็น PDF บ้างจะเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างก็ จะค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของของเทคโนโลยีครั บ, รบท่านจะอัปเดตทุกวันไหนนะครับรายการนี้ก็จะอัปเดตทุกวันพฤหัสเจ็ดโมงเชา้าคนะก่อนหลังจากเจ็ดมงเช้าวันพฤหัสก็มาดาวน์โหลดไปฟังได้ครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะใดๆหรือบางท่านอาจจะทราบเรื่องข้อมูลเรื่องเทคนิคก็ส่งมาคันได้ที่เปียวธรรมาดดอทอมในหน้าพอดแคสต์นี่แหละรเราก็ทั้งเจ้าหน้าที่ ที่อยู่หลังไม่ก็จะคอยช่วยกันพิจารณาดูอนไนเป็นไปได้เราก็จะทำแล้วก็รายการนี้ก็จะให้มีการเขาเรียกว่าเพื่อจะเจาะลึกประเด็นต่างๆที่ที่ได้ไปอัดรายการวิทยุบันทึกรายการวิทยุตามที่ต่างๆเนี่ยเวลามันไม่จไม่พอจำกัดก็จะมาใช้เนื้อที่ตรงนี้ในการลงรายละเอียดที่มันลึกซึ้งขึ้นไปก็มีหมอรัตนพงศ์มาเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันทีนี้ ต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเราพูดถึงอริยมรตมีองค์แเราได้กล่าวไปแล้วสององนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะใช่ในวันนี้จะมาต่อมรตององค์ที่3 <ช>นะครับ<ช>คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาครับสัมมาวาจาข้อใหญ่ใจความปรับท่านตรงตรงตรงนี้เราต้องให้ทราบนะว่าถ้าเราเรียงไล่ไปเรื่อยๆยออมีท่านผู้ฟังรายการวิทยุเนี่ยมาเคยถามอาตมาว่าไอม้มรต์เนี่ยนะ มันต้องทําไปตามลําดับหรือเปล่าอ๋ออันนี้เราเสร็จแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็อันนี้ครับซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่่บบนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือมันไปพร้อมๆกันอ๋อไปพร้อมๆกันคุณทําอันไหนอันหนึ่งเนี่ยครับมันก็มาหมดอืมใช่ครับอ้าวคุณทําสัมมาวาจาใช่ไหมครับคุณจะมีสัมมาวาจาได้คุณต้องมีสมาทิฏฐิในเบื้องต้นไอ้สัมมาวาจาคืออันที่สามที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย คุณต้องรู้ว่ามิจฉาวาจาคืออันนี้สัมมาวาจาคืออันนี้ความรู้ว่ามิจฉาวาจาคือมิจฉาวาจาความรู้ว่าสัมมาวาจาคือสัมมาวาจาความรู้นั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิถาม่าคุณละมิจฉาวาจาทําสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมนะความเพียรตรงเนี้ยคือสัมมาวายามะครับคุณมีสติละซึ่งมิจฉาวาจามีสติทําสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมตรงนี้คือสัมมาสติครับสติชชื่อว่าสติ ความเพียรแล้วก็ทิฏฐิที่ถูกต้องสามอย่างเนี้ยมาพร้อมกับสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นมันจึงมาพร้อมกันเป็นองค์ธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันมาพร้อมกันครับแล้วก็เรื่องสมาสมาธิเนี่ยก็จะเกิดเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งครับในการดูเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาปฏิบัติอันไหนก่อนอันไหนหลังอืมันมันมาพร้อมๆกันถ้าเราทำถูกต้องเหมือนคุณขับไปถนนเส้นหนึ่ง ยกตัวอย่างเหมือนเมื่อคราวที่แล้วถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเวลาคุณขับผ่านไปเนี่ยคุณก็ผ่านป้ายผ่านที่ตีเส้นทันทางที่กตนอะไรไปพร้อมๆกันองค์ประกอบไปใช่ครับมันไปพร้อมๆกันต้องพิจารณาพร้อมๆกันใช่ครับมันก็ไปพร้อมกันเลยจะเอาอันไหนสักอันใดอหนึ่งมาทําก็ได้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าในกรณีที่ยกมาก็คือว่าเป็นหมวดหมู่จัดเรียงร้อยเรื่องราวใช่ซึ่งตรงนี้พระรูชาแตก แตกฉานเราก็อธิบายในลักษณะนี้เนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือ น, นี้อาตมาความเข้าใจของอาตมานะครับว่าคือพระองค์เนี่ยเปรีย บ, เ, ยบเหมือนการเปรียบการบรรลือเปรียบการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเหมือนสี ห, หนาบนรรลือสี ห, หน้าเหมือนกับสีเหรอเวลาไปาหาเหยื่อเนี่ยไปหาอาหารกินเนี่ยเวลาตะคุบเหยื่อเนี่ยต้องทีเดียวตายครับไม่ใช่มาทีที่สองทีที่สไม่เสียเหลี่ยมราชสีเหลี่ยมครับกัดทีเดียวต้องตายครับ ตระกบที่หนึ่งต้องตายครับอย่างนี้นะนี่คือราชสีนี่คือสีห์ซึ่งเหมือนการพระราชาเวลาประกาศธรรมเนี่ยพูดทีเดียวเนี่ยต้องครบถ้วนหมดไม่พลาดเลยเป็นอากาลิโกใช่นี่คือที่ที่เราทราบกันอยู่แล้วเรื่องของคุณสมบัติของคุณความใช่ใมีมีอะไรบ้างก็มีเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังนะครับเป็นปัจจตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนเป็นสิกิภูโตใช่เป็นพญานาคตนแล้วก็เป็นอากาลิโกใช่ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เวลาที่เวลาพระองค์อธิบายธรรมะเนี่ยมันต้องครบถ้วนทุกประเด็นครับจึงจึงจึงต้องมีการอธิบายในลักษณะของเป็นลําดับแล้วเรื่องของการสื่อสา ร, รด้วยเสียงเนี่ยมันก็ต้องเป็นลําดับลําดับหนึ่งต้องมาก่อน2อสต้องมาหลังสองสต้องมาก่อน4อย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ออกมาทีเดียวดดเดียวเดียวมันก็ต้องเป็นลําดับลาดับเพราะนั้นจึงจึงเป็นลักษณะของการสื่อสารอย่างงี้ยตัวสัมมาวจจะมีคุณลักษณะ สอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ที่มาพร้อมกันครับก็คือหนึ่งไม่พูดไม่พูดเท็จใช่นะครับไม่พูดเท็จไม่พูดพูดเท็จนี่คือยังไงเท็จคือตรงคือการพูดโกหกนะโกหกเนี่ยคืออะไรคือเป็นผู้ที่มักแกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกนะพระเจ้าใช้บทพยัญชนะอย่างนี้การคือคือมิจฉาคือการพูดโกหก คืออะไรรู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินรู้สึกบอกไม่รู้สึกอย่างเงี้ยโดยในยะตรงข้ามด้วยไม่รู้สึกบอกได้รู้สึกไม่เห็นบอกว่าเห็นอย่างงี้นะพวกนี้คือการโกหกหมดนี่คือนี่คือมิจฉาบาจาคมด้อยหน่งคือคุณลาจากตรงนี้นะก็ก็ดีทีนี้เรื่องของการโกหกเนี่ยแมมีรายละเอียดมากใช่ครับในทางปฏิบัติบางทีจะ บอกความจริงไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในอย่างเช่นเราจะได้ยินบ่อยในเรื่องของแพทย์บอกว่าคนไข้เป็นโรคร้ายแต่บอกว่าถ้าบอกหมดก็คงจะน็อกเดี๋ยวนั้นเลยทําใจไม่ได้ตแล้วต้องมองทํำยังไงก็จริงๆแล้วก็คือดูดูสภาวะของผู้ฟังก่อนว่ารับได้แค่ไหนนะครับแล้วค่อยๆบอกความจริงอะไรที่ยังรับไม่ได้ก็อุบไว้ก่อนนิ่งไว้ใช่ครับนิ่งเนี่ย ก็ยังดีกว่าการพูดคือ ค, คือใ น, ในเรื่องของธรรมะนี่ไม่ผิดแ น, น่นอน ค, คุณไม่ผิดศีแลแต่เรื่องของกฎหมายอาจจะมีความผิดบ้างถ้าถ้าพูดไม่หมดอย่างทนายหรือว่าเวลาที่เราไปทำสัญญาอย่างนี้น ใ, ชใช่ไหมแต่เรื่องของธรรมะเรื่องของความผิดศีลนี่ไม่ผิดครับเพราะเจตนาเราไม่ได้ไไม่ไดโกหก<ช>แต่ว่าอาจจะเรอเปิดเผยในเวลาในโอกาสที่เหมาะสมนะครับคือดูเรื่องของการละด้วยนะถึงแม้ว่าเจตนาเราเราจะคิดให้ว่าให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะด้วยการนิ่งนะ คุณก็เรียกว่าไม่ผิดศีลอยู่ดีอ่ะยกตัวอย่างนะเราจะมายตัวอย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งพระเทวทัตเนี่ยได้วางแผนมาแล้วอย่างดีจะมาให้นักฆ่าเนี่ยมาฆ่าพระพุทธเจ้าให้นักฆ่าคนแรกเนี่ยมาฆ่าพระพุทธเจ้าสั่งนักฆ่ามาละแล้วก็ให้นักฆ่าอีกสองคนมาตามฆ่านักฆ่าคนแรก แล้วก็ให้นักฆ่าอีก4คนมาตามนักฆ่าอีกสองคนนั้นที่เขาเรียกว่าปิดปากนักฆ่าบ้านลันักฆ่าแคนไปตามฆ่านักฆ่าอีก4คนนั้นตัดฆ่าเป็นทอดทอดจะไม่สามารถค้นหาได้เลยว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าใช่ครับเพราะตัดตอนกันไปล้ใช่นี่คือกุศโลบายของของพระเทวทัตพอนักฆ่าคนแรกเดินทางมาแล้วพร้อมอาวุธครบมือไปหาสัพพะปุจ้านั่งอยู่ณที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าพอไปถึงแล้วก็ เอาละสำนักโคดมฉันจะมาฆ่าเธอครับผู้รู้จักก็บอกว่าโอ้งั้นก่อนฆ่าฟังธรรมสัก่อนครับพอฟังธรรมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนักฆ่าคนนั้นเปลี่ยนใจไหมข้าเกิดเลื่อนใสศรัทธาคือเห็นธรรมขึ้นมาล้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่ฆ่าแล้วก็เลยจึงจะขอกลับขอเป็นขอพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นสนนละจะขอกลับผู้รู้จักบอกว่าเธอให้เดินไปทางนี้อย่าเดินกลับไปทางเก่าให้เดินไปทางนี้แล้วตัวพู้รู้จ้าเองก็ย้ายมานั่งอีกที่หนึ่ง อ๋อย้ายที่นั่งพอย้ายมานั่งอีกที่หนึ่งอีกสองคนนักฆ่าอีกสองคนเดินมาจัดการคนแรกจะมาจัดการคนแรกถามว่าคนแรกไปไหนพระพุทธเจ้าบอกว่านั่งตั้งแต่มานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นใครเลยอซึ่งท่านพูดความจริงพูดความจริงเจตนาของพระองค์คืออะไรไม่ต้องการให้เขาฆ่ากันครใช่ไหยเพราะฉะนั้นเจตนาของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้ในรับพระองค์กล่าวว่าจะไปอย่างนี้ซึ่งก็เป็นไม่ผิดธรรมอ่าแล้วก็เป็นกุศล เออเป็นกุศลไม่มีการเบียดเบียนใค ร, ใ ช, ครใช่ไหมเอาเอเธออย่าเพิ่งไปฟังทำก่อนนะนักฆ่าสองคนนั้นก็ฟังทำฟังทำเสร็จแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมน ะ, ะถึงพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าบอกอังนั้นไปได้อแต่ไปทางเดิมนะ่ะไปทางนี้เปลนทางไปพระพุทธเจ้าก็ย้ายมานั่งอีกที่นึ่อนักฆ่าอีกสี่คนมาครับก็เจออีกเจออีกถามว่าเอ๊ะนักฆ่าสองคนนั้นไปไหนพระพุทธเจ้าก็บอกตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครมาอืครับก็เลย เอางั้นอย่าเพึ่งไปเธอมาฟังทำก่อนอย่างนี้นะไล่ไปแผนของเทวรน์ไม่สําเร็จนักฆ่านั้นก็ได้ดวงตายห็นต่ำไม่มีใครถูกเบียดเบียนใครพระเจ้าก็ไม่ได้พูดโกหกแต่นี่คือลักษณะของการพูดโกหกที่เรียกว่าบางทีเราเราเราต้องพูดชัดเจนนะอย่างพระเอด้วยกันเองอย่างเงี้ยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากว่าถ้าเขามานิมนต์ไปอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช้คําว่าอยากเลยไม่อยากไป ไม่อยากไปเราจะพูดยังไงไม่ให้เขาเสียเจ็บจาน้ําใจบอกเอาไม่ไปหรอกเขาก็กระเตือนใจใช่ไหมใช่ครับเราจะพูดลักษณะไหนที่ว่าเออเราก็ไม่ไปเราผัดไปก่อนหรือว่าอะไรเนี่ยโดยที่เขาไม่กระเตือนใจแล้วเราก็ไม่ได้โกหกว่าเราไปติดงานที่นั่ที่นี้มันก็ต้องเป็นอาศัยการฝึกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเสถรางการพูดใช้ปัญญาพอสมควรนะครับในลักษณะนี้ครับแล้วก็เรื่องตรงนี้ก็มันมันมองได้หลายแง่มุมนีเพราะฉะนั้น เราต้องแยกประเด็นเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของศีลธรร ม, มด้วยอย่างเรื่องนี้ในกรณีนี้ศีลธรรมเนี่ยไม่ผิดแต่ในกฎหมายบ้านเมืองบังทีอาจจะมีความผิดอันนี้ก็ต้องแยกกันไปครับคือทางธรรมเนี่ยเรามองเรื่องของเจตนาว่าเป็นกรรม<ช>ที่พระพุทธองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม<ช>ก็คือเอาเจตนาเป็นตัวหลัก่ครับครับทีนี้ในเรื่องของสัมมาวาจาอันที่สองอันแรกก็คือไม่โกหก นะครับอันที่สองก็ไม่ไม่โกหกเพือเจริไม่ไม่พูดไม่พูดสอเสียดไม่พูดส่อเสียดคืออะไรคำส่อเสียนี่คือคำยุยงให้แตกกันภาษาอิสานเนี่ยคำส่อเสียนี่เขาจะไม่เข้าใจเขาใช่ไหมครัว่าพูดสอมสอสอมสอคือพูดยุให้แตกกันสอมสอประมาณนี้นะตอนที่เอามาทราบมาเพราะฉะนั้น พูดยุให้แตกกันนะคือยังไงนําความข้างนี้ไปบอกความไปบอกฝั่งนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือนําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้นะพูดจะให้คนแตกกันนะเห็นความแตกกันเนี่ยเป็นสิ่งดีอันนี้คือการพูดยุให้แตกกันจริงๆในสังคมก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันเอาแค่ว่าในออฟฟิศอ่ะในที่ทํางานอ่ะในที่ทํางานนะคุณไม่ชอบ ที่หน้าเพื่อนร่วมงานคนนี้ครับคุณไปพูดเรื่องไม่ดีของเขาให้อีกคนหนึ่งฟังนั่นแหละนั่นแหละคือการพูดส่อเสียดส่อเสียดแล้วคุณพูดเนี่ยให้เขาได้ข้อมูลไม่ดีของคนที่เราไม่ชอบใช่ไหมเพื่อให้เขาเป็นฝ่ายเดียวกับเราเพื่อให้เขาไม่เป็นฝ่ายเดียวกับคนนู้นนี่เหตุพูดส่อเสียดส่อเสียดแล้วเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเป็นวาจาอันไม่ใช่ของสัตว์ปรุษครับอ่ะสัตว์ปรุษเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยเขาจะพูดกันอย่างนี้ครับนำความไม่ดีของบุคคลอื่นไปเปิดเผยให้ปรก ส่วนคนดีเขาจะพูดยังไงแม้ถูกถามถึงความไม่ดีของคนอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของวาจาคนดีเพราะเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องพูดถึงหรอกก็เฉยเฉยนิ่งนิ่งไปเราก็ไปสนใจทำงานของเราหรือว่าเราก็ไปพูดเรื่องดีของคนอื่นก็แล้วกันความดีเนี่ยต้องยิ่งอมาเปิดเผยโดยายิ่งหนังสือพิมพ์อ่ะใช่ครับ พวกสื่อเนี่ยจะเอาเรื่องไม่ดีต่างๆมาแะมาตีแพรแม่เรื่องดีนี่มันหาได้น้อยเหลือเกินมีคำพูดกันว่าเรื่องเรื่องไม่ดีแจกฟรีเรื่องดีเสียสตางค์อันนี้ก็เป็นเป็นความจริงในในวงการสื่อบ้านเรานะครับเพราะเราเห็นแต่ละวันเอ๊ะทำไมได้สื่อสิ่งที่มันเป็นอกุศลนะครับขอใช้คำนี้เลยนะครับเรื่องของอุปติภัย มีคนตายหรือว่าทะเลาะบอกแมงยิงกันค่ากันโหอ้โหผมสื่อสื่อบอกไงสื่อบอกผมนําเสนอความจริงใช่ไั่เป็นยังไงความจริงความจริงความจริงจริงๆมันก็มีความจริงที่บางทีก็ไม่ได้หมอะถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราต้องพูดว่าอย่างสื่อเนี่ยเขาไม่ผิดเรื่องของกฎหมายเรื่องของการพูดเท็จเขาไม่ผิดแต่เขามาผิดเรื่องของการพูดสาเสียดดสสเีย หนึ่งหรือไมบถ้าเขาเขาบอกว่าโอ้ยผมก็เสนอเสนอความจริงไม่ได้ไม่ได้พูดโกหกผู้ของคุณแต่คุณพูดส่อเสียดครับคุณผิดมิจฉาผิดผิดมักแปดรับมีองแปดในข้อสามาาจารเพรื่อนั้น์สื่อเนี่ยไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดครับนะเพื่อเจตนาว่าให้เขาแตกันนะไม่ทํานะแล้วก็เอาข้อดีของคนอื่นเนี่ยมาเผยแผ่ครับอันเนี้ยสังคมจะไปได้คือจ้พอขึ้นอ มอโนตุบงเราคิดดูถ้าเราเห็นคนนี้เขาก็ทําความดีคนนั้นเขาก็ทําความดีไอ้ น, นี่เขาทำแต่เรื่องดีไว้รเรามันจิตอึกเข<ช>ิมที่จะทําความดีใช่ครับนะแต่ถ้าเราเห็นแต่คนนี้ก็โอ้โหทำความไม่ดีอันนี้ก็นุ่งโป๊แล้วเกินอันนี้ก็ทําแต่เรื่องแย่ๆใช่ครับเอ๊มันธรรมดาเลเราทําบ้างจิตเป็นอักขุนโศนอ่นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันเนี้ยพุทธวจนะยืนยันไปเลยว่าครับเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงสิ่งใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เพราะเราเห็นสือนี่ว่าคนนั้นก็ว่ายอย่างนี้คนนี้ก็ว่ายอย่างนี้มันก็คิดมากตรึกมาก<ช>ตรองรมากตามมากจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นน้อมไปในเรื่องอคุณชเพราะฉะนั้นอาจามาจึงบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่หัวสีนิยมทิ้งไปเลยไม่ต้องอา่านอ่านแต่เรื่องที่มันดีนนอ่านหนังสือพิมพ์ที่หรือว่าเสษข่าวที่ดีเอาความดีของคนอื่นมาเผยแพร่อย่างนี้จะเป็นเรื่องดีตรงนี้สําคัญนะครับอืมองว่าตัวสื่อเองก็ต้องสังคายนาตัวเองด้วยช เพราะว่าจริงๆแล้วมีมีผลต่อต่อจิตใจต่อวิธีการดำเนิ น, นชีวิตของผู้คนมากนะครับครับแล้วก็ประการที่2คือเรื่องของการพูดส่อเสียดเนี่ยนะเ ร, เรื่องของสื่อก็อันหนึ่งเรื่องของการพูดส่อเสียดยังมีอุปสรรคนหนึ่งคือคนคที่ไม่พูดสอเสียดเนี่ยคือคนที่พูดวาจาไม่ส่อเสียดเนี่ย ค, คือคนที่พูดวาจาที่สมัครสมานสามิกัน เป็นคนที่ยินดีในความร้องเรียงพอใจในความร้องเรียงกล่ <Dial> าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความร้องเรียงกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล่าววาจาที่ทำให้เกิดความร้องเรียงกันเนี่ยไปได้ บ, บางทีคุณเอาความจริงมาตีแผ่ถูกเอาความไม่ดีของเขามาพูดนิดหนึ่งได้นนแต่เจตนาเพื่อให้เกิดความร้องเรียงกันอ๋อนี่ถึงจะเรียกว่าสื่อทาถูกต้อง เป็นกุศลมากกว่ า, าเป็นกุศลใช่ครับอันนี้มีคําเรียกเฉพาะไหมครับท่านคํานี้มีบทบัญญัติอะไรไหมครับว่าคนที่พูดดีทําให้เกิดความสามัคคีอย่างเนี้ยในพุทธวจนะมีมีกรารเอาพิจาา้พิจาาใช้บทเพิญชนะยาวอย่างนี้ว่าครับถ้าเธอไม่เอาวาจานะีไม่กล่าววาจาที่ทําให้เกิดความแตกแยง้งขัดแย้งกันไม่นําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้แตกจากฝ่ายนี้ไม่นําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายน้นให้แตกจากฝ่ายนี้ ฝ่ายโน้นนะแต่เป็นผู้พอใจในความรำเปลี่ยยินดีในความรำเปลี่ยกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดความรำเรลียนกันอันนี้คือบุคคลที่ปฏิบัติตามอ่าไม่กล่าววาจาส่อเสียดใช้คําว่าไม่กล่าววาจาส่อเสียดคือกล่าววาจาที่ทําให้เกิดความรำเรลียนกันครับครับโอเคนี่คือเรื่องของวาจารำเรลี่ยนกันเพราะฉะนั้นสังคมเราจะสามัคคีกันมากขึ้นครันะเอาแค่ในครอบครัวกัน ถ้าเรารู้นะว่าเราพูดไปเนี่ยแล้วเขาจะไม่ชอบอ่ะจะ ก, กระเือนใจเขาเนี่ยเรานิ่งซะน่าจะหยุดครับนิ่งซะรเรื่องนี้จะไปเกี่ยวข้องกับอันถัดไปคือเรื่องของวาจาหยาบใช่ซึ่งคิดว่าจะไปเลยเรื่องของวาจาหยาบวาจาหยาบเนี่ยคืออะไรนะคือวาจาที่เป็นคําหยาบอันชาวเมืองเขาไม่ไม่ใช้กัน เป็นวาจาที่หยาบประขายหูอันชาวเมืองไม่ใช้กันเป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิครั บ, รบกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิครับทีนี้วาจาหยาบเนี่ยคำหยาบเนี่ยกับวาจาหยาไม่เหมือนกันนะ<อ>คําหยาบเนี่ยคือคำอที่สมัยพ่อขุนสมัยพ่อขุณ <P ap> รามกมแหงซึ่งสมัยพ่อขุณรามกมแขกเนี่ยเขาเป็นวาจาที่สุภาพนะครับ ใช่ครับแต่พอมาสมัยนี้ทําไมการเป็นวาจาอยาบไปซึ่งมันแล้วแต่ยุคสมัยใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคําหยาบเนีเรายกไว้ก่อนครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยพูดมีแต่คําหยาบเลยแต่มันมีแต่พูดเรื่องที่เรียกว่าเรื่องหรือว่าเรื่องที่เป็นสมาวาจาอ๋อคือไม่ได้พูดยุโยงให้แต่กันครัไม่ได้พูดโกหกเนีไม่ได้พูดเพลยเจอร์เลยแต่มีแต่คําหยาบก็มีบางคนพูดจานถ้อยคําสุภาพมาก แต่เชื้อเฉือนการใช้ภาษาสุภาพมากแต่มันเชื้อเฉือนเป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิฟังแล้วจิตแตกหมดเลยก็มีประเด็นนี้สําคัญนะครับแต่แต่เป็นวาจาที่สุภาพครับการใช้ภาษาสุภาพเอาไว้แลเราต้องแยกเรื่องการใช้ภาษาออกเรื่องการคําหยาบหรือการใช้ภาษาแยกออกไปนะถ้าเนื้อหาธรรมะของสัมมาวาจาในส่วนของคำหยาบเนี่ยคือวาจาที่เป็นไปเพื่อสมาธิคุณพูด วาจาที่ไม่เป็นไปเพื่อการกระทบกระเทียบเปลี่ยนเบียนคุณผู้ได้อย่างโอ้หวันนี้ใส่เสื้อสีนี้แหมดูแล้วมันอย่างกระหมูตอนพูดไปอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไม่ไม่มีคําหยาบเลยนะครับแต่เป็นวาจาที่เป็นมิจฉาวาจาเบียนเบียนวาจาเบียนเบียนฟังแล้วไม่แฮปปี้ล่ะไม่สบายใจล่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดไปแล้วเนี่ย รู้ว่าเขาจะกระเทือนใจสลดใจเราก็ไม่พูดครับนถึงแม้จะเป็นความจริงคนะบางทีนิ่งจะดีกว่าหรือว่าพูดเรื่องอื่นไปซะหรือว่าเอาข้อมูลให้ที่เป็นเรื่องอื่นอย่างสมมติกรณีของหมออย่างนี้ใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นนั่นคุณเป็นนี่นะคุณมีเวลา6เดือนนะสมเดือนนะคุณก็เอาเรื่องมะเร็งมาอธิบายซะเป็นข้อเท็จจริงเป็นในเชิงวิชาการที่จะให้ความรู้ค่อยๆอาจจะให้เขาน้อมน้อมใจเข้าสู่ว่าโรคเนี่ยมัน อก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในในความเป็นไปของมนุษย์ครับให้มองเป็นธรรมดาธรรมดาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่อยๆน้อมไปอันนี้ต้องใช้ศิลปะมากไหมครับใช่ครับเรามามองว่านักกันเบืองบางคนก็ทําได้ใช่ครับก็ต้องการกันเมืองเจ็ดเจ็ดคติที่เป็นกุศลใช่ใช่ครับเรื่องของคําหยาบก็จะมีตรงนี้ครับ แล้วก็วาจาที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ต้องต้องเน้นย้านิดหนึง่งครับรวจาใดครับประเด็นที่สาคัญที่พูดแล้วเนี่ยไม่เป็นการกระทบกระเทือดเปลี่ยนเป็นไปเพื่อสมาธิโดยเฉพาะยิ่งคนในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่ลูกพี่น้องอเนี่ยต้องพูดกันทีดีเรารู้เราอยู่กันมาตั้งนานรู้กันว่าคนนี้เป็นยังไงอ่ ะ, อะเราก็ไม่พูดวาจาที่ทำให้เขาเจ็บใจ กากล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปลี่ยนกล่าวแต่วาจาที่ทำให้จริงก็เป็นสมาธิกล่าววาจาที่ไม่กระทบกระเทียบเบ็ดเบียนครับจะเป็นการดีมากเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่อในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยก็ยิ่งสําคัญครับตรงนี้ผมทําให้นึกถึงที่หมวดธรรมอีกหมวดหนึ่งคือเรื่องของวาจาสุภาษิตนะครับอืจริงๆก็เจ้าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสัมมาวาจาได้อาจารย์สุภาษิตที่มีอยู่ ห้าข้อวาระสุภาษิตเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อนะสิข้อเลยนะครับห้าในยะห้าข้อ2องในยะครับกล่าวแต่วาจะที่เป็นจริงเป็นจริงเท่านั้นไม่กล่าววาจะเท็จกล่าวแต่วาจะที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ครับกล่าวแต่วาจะที่น่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาระวาระไม่น่ารักครับกล่าววาจะที่เป็นจริงเท่านั้นไม่กล่าวอาจระหลอกแหละครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักของสุภาษิตวาระครับ เป็นคําพูดสุภาษิตเนี่ยสุแปลว่าดีคภาษิตก็คือคําพูดก็เป็นคําพูดที่ดีครับคือคนที่พูดไม่ดีเนี่ยนะเราจะมีอีกประเด็นคือพูดเรื่องเพลเจอร์ก่อนใช่ครับจะได้สรุปเก็บตกเพลเจอร์ครับเรื่องเพลเจอร์เนี่ยคือคําพูดที่เพลเจอร์อะไม่เป็นจริงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นจริงนี่จะเป็นข้อพูดเท็จครับเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ไม่พูดเรื่องธรรมะไม่พูดเรื่องวินัยแต่เป็น เป็นวาจาที่เพ้อเจ้อวาจาหลอดแหละวาจาที่ไม่มีประโยชน์หาสาระอะไรไม่ได้นะพูดแต่เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นธรรมไม่มีวินัยไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีหลักฐานไม่มีเวลาเริ่มไม่มีเวลาจบอยู่พูดลอยลอยขึ้นมานะบอกว่า เอออย่าพูดเลยเดี๋ยวเราจะพูดวาจาแบบนั้นเราก็บในวงเล่ามีเยอะยะวงเล่าไห้ดูเลยใช่ใครับวงเล่ามีแต่วาจาเพรสเจอรับบางทีพูดแล้วไม่มีคนฟังนะฮะไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอยู่อยู่คนพูดไม่ได้ยังไงอย่างพวกวิกิพีเดียเนี่ยที่ว่าอยู่ๆใครๆก็อัปเดตได้ใช่ไมใช่บางเรื่องนะหมอรัตพงศ์ไอ้ที่เขาอัปเดตอยู่ในวิกิพีเดียเนี่ยคนนี้เอาไปอัปเดตอยู่ๆมันคิดขึ้นมาใช่ไหมคนอื่นเอาไปใช้ใช้ใช้ใช้กันจนทุกคนเนี่ยเห็นว่า เหมือนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอืดี๋ัวเพราะว่าวิกิเท่านั้นเองสร้างขึ้นมาใช่อุปโลกขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเป็นวาจาเพรสเชอร์ไปเรื่องวาจาเพรสเชอร์ตรงนี้เนี่ยมักจะมีในวงเล่าครับวงเล่าครับซึ่งผิดศีลอยู่แล้วศีลข้อห้าครับซึ่งตรงนี้ศีลเนี่ยข้อที่ห้าที่หมออนุทวงพูดถึงเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาออกแล้วใส่สามข้อของสมาวาจาเข้าไป คือข้อข้อที่4ี่เนี่ยคือเรื่องของการพูดเท็จใช่ไหมข้อนี้ก็คงไว้เอาข้อ5้าคือเรื่องการดื่มน้ําเมาออกแล้วใส่วาจาที่ไม่สอดเสียดวาจาที่ไม่หยาบวาจาที่ไม่เพอเจอร์เข้าไปเพราะว่าคนที่เมาแล้วเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าเมาเนี่ยจะมีวาจาเพอเจอร์จะมีวาจาสอเสียดจะมีวาจาหยาบ มักจะพูดอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้คือพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ว่าเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลรอยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทครับประมาทครับดื่มมากจนประมาทครับประมาทคุณอะไรมาวัดขาสติขาสติอะไรมาวัดอืนอาจจะเป็นคําพูดที่ก็ตรงเนี้พระพุทธเจ้าใช้วาจาครับะก็คือวาจาที่ไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อ การวัดมากคุณยังมียังไม่ประมาทอยู่ไหมเพราะฉะ บ, บางทีพระพุทธเจ้าเอาตรงนี้ออกเอาเรื่องของล<ม>้ําเมาออกแล้วเอาสัมมาวาจานี้ใส่เข้าแทน<ม>จะพบได้อยู่แต่ไม่มากนะเคยพบอยู่ครับเพราะเรื่องของสัมมาวาจาตรงนี้จึงสําคัญมากว่ า, าในในครอบครัวเราเนี่ยพูดดีๆกันค่อยพูดค่อยจา พูดไปแล้วก็อะไรที่เขารู้ว่าเขาไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยเราก็หุ่นไม่พูดซะมีคําไทยว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้ก็คงจะเป็นตัวเทียบเคียงได้อันหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้มีในสมัยพุทธกาลนะวรรอเป็นยัณาครัภิกษุกลุ่มหนึ่งที่นำสกุลอนุรุทธะเนี่ยเขาไปอยู่ด้วยกันในในในป่า เราพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมครับเขาก็เลยมาเข้าฝ้าพระพุทธเจ้ารายงานให้ฟังว่าอยู่กันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็มีตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยทำตามบรารมีจิตของคนอื่นไม่ทําตามบรารมีจิตตัวเองเพราะฉะนั้นจึงอยู่กันได้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราข้าพระองค์เนี่ยจึงาสามารถกีกันดุดน้ํานมเข้าในกับน้ํเพราะฉะนั้นก็จึงสามารถกีกันอยู่ได้เพราะว่ามีเห็นปัจจัยหลายอย่างในในกลุ่มของภิกษุผู้นั้นเนี่ย ก็จะหนึ่งนะคุยธรรมะกันจนตลอดรุ่งทุกสี่ถึงหคืนปฏิบัติตามวารจิตของผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามวาลจิตของตัวเองนะไม่มีการปฏิบัติเปลี่ยนเป็นการจากเรื่องนี้แล้วก็อยู่ตามมีตามได้ในเรื่องของปัจจัยทั้งสี่จึงสามขีกันอยู่ได้ดุูน้ํานมเข้าในขันน้ำเข้าขันน้ำโอ้ต้องเป็นองค์ธรรมหลายหลายประการทีเดียวนะครับใช่ครับทีนี้เรื่องของนี่คือสัมมาวาจาคสัมมาวาจา คิดว่าใหญ่เลยครับครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ครับคือถ้าทํามากๆสัมมาวาจาเนี่ยมิจฉาวาจานะทํามากๆก็จะเป็นไปเพื่อนรกก่ำเหนือจดจาร์ปริวิสัยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสัมมาวาจามากๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในมรรคละอยู่ในทางละคือเจริญองค์ธรรมในสิ่งที่เราพูดใช่ครับแล้วคนที่จะพูดอย่างบางครั้งเนี่ยเราจะรุนรงค์ให้ใช้บทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าครับ ตรงนี้เราเป็นการฝึกสติด้วยครับใช่ครับเป็นการเจริญสติคือสัมมาสติไปพร้อมกันใช่ใช่ครับตอนนี้เวลาในวันนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็สรุปตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนี้ว่าวันนี้เรากลาบถึงเรื่องของสัมมาวาจาใช่ครับและสัมมาวาจาก็จะมีแง่มุมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําเหมาด้วยใช่ครับนะถึงข้อที่ห้าอ่าเราก็สัมมาวาจาที่แง่มุมของอ่าการโกหก ที่บางทีเราก็นิ่งอยู่สะบังก็ดีครับสมาวิจาที่เกี่ยวข้องกับวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตวจาทุภาษิตตรงนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องวาจาของสัตว์ปรุษคือคนดีเราจะพูดกันยังไงพูดถึงเรื่องของสื่อด้วยที่ว่าสื่อเนี่ยเป็นผู้ที่เอานําเสนอด้วยวาจาเนี่ยก็ควรจะนําเสนอในลักษณะไหนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความมินุสนความมินสามัคคีใช่แล้วก็ ที่ประเด็นที่ติดใจก็คือเรื่องของความถ้าเราไม่พูดหยาบจะเป็นไปเพื่อเพื่อสมาธิเนี่ยโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมเพิ่งทราบอันนี้จะเป็นทำให้เราเจริญสมาธิได้โดยโดยอาศัยสมาวาจาได้นะครับนี่เป็นอันที่ส่งโดยตรงเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้ก็วันนี้เรื่องสมาวาจาเราจบไปแล้วนะคราวต่อไปท่านผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมากัมมันตากับสมากัมมันตากับสมาอาชิวะคิดว่า อาจจะร่วมกันไปได้ครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีความเห็นในประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันมาครับส่งมาได้ที่ส่งมาได้เลยเว็บเพียวธรรมะครับแล้วก็นมทั้งคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าความรู้อะไรใหม่ๆที่ต้องการนำเสนอหรือแชร์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบก็ส่งกันมาครับตอนหน้าจะเป็นตอนที่5้าใช่ครับตอนนี้ตอนที่สี่คิดว่าจบเท่านี้าท่านผู้ฟัง ก็อย่างที่ว่าให้ส่งมาทาง p e y o t a m a r c o m ครับก็กราบน้ำมการพระอาจารย์ไพบูลนะครับจะะ้าครับสวัสดีครับ